จักรวาล น, นี้เป็นจักรวาลของการกระทบกระทั่งราบใดที่เรายัางถูกขังอยู่ด้วยกันตราบนั้นเรายัางต้องกระทบกระทั่งเป็นเจ้าหนี่เวนเจ้านีกรรมเป็นลุกนี่เวนลุกนีกรรมไม่รู้จบวิธีเดียวที่จะทำกรรมทั้งหลายให้เป็นอโหสิหรือที่เรียกว่าทำให้เกิดอโหสิกรรมได้ก็คือหมดกิเลสล้างกิเลส ล้างอุปาทานให้สิ้นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกคนไทยใช้คำว่าอโหสิกรรมกันมาผิดผิดนึกว่าหมายถึงการยกโทษให้จริงๆแล้วถ้าเป็นศัพท์เดิมอโหสิกรรมหมายถึงการที่กรรมทั้งหลายเป็นโมฆะถูกยกเลิกไปเพราะว่าเจ้าของกรรมได้สำเร็จอรหัตผลและเข้าสู่นิพพาน แม้แต่พระอระหันต์ที่ยังมีชีวิตก็ยังต้องใช้กรรมอยู่กรรมยังให้ผลต่อไปจนกระทั่งถึงที่สุดของชีวิตพอหมดแล้วไม่ต้องไปใช้กรรมต่ออันนี้แหละที่เรียกว่าล้างกรรมได้จริงๆคนยังเข้าใจผิดกันมากนึกว่ามีวิธีมีอุบายอะไรที่ล้างกรรมได้ขอให้ดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้า แม้กระทั่งกรรมที่พระองค์เคยเป็นลูกชาวประมงเป็นพ่อแม่พี่น้องคนปลาขึ้นมาจากทะเลได้มากๆท่านดีใจว่าวันนี้ได้ปลามากพระชาติสุดท้ายได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังต้องมาปวดพระเศียรข้างเดียวตอนที่ญาติๆของท่านจะฆ่าล้างกันแม้กรรมเพียงเล็กน้อยเคยทาไม่รู้กี่กับกี่กันที่แล้วเคยเป็นลูกชาวประมง แค่คิดเฉยไม่ได้ค่าพระอรหันยังต้องรับผลเลยฉะ น, นั้นเรื่องล้างกรรมอย่าไปคาดหวังโดยอุบายง่ายๆตื่นตื่นแต่สามารถคาดหวังได้ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสติจนกระทั่งถึงที่สุดทุกแล้วหมดชาตินี้แล้วจบชาตินี้แล้วไม่ต้องไปรับกรรมต่อแล้วก็ไม่ต้องไปก่อหนี้ต่อด้วย บางคนถามว่าทำไมพุทธศาสนาสอนให้เอาตัวรอดคนเดียวจริงๆแล้วถ้าคิดนะครับเราเกิดมาแต่ละชาติไปก่อเวรก่อภัยไว้เยอะแยะไปเป็นเจ้าหนี้เวรให้คนอื่นมากระทาแล้วก็ไปกระทาเขาเป็นลูกหนี้บาปลูกหนี้กรรมจะต้องไปชดใช้อันนี้คือเห็นได้ชัดๆเลยถ้าหากว่าเราออกจากสังสารวัตไปเสได้คนหนึ่ง อีกหลายคนจะได้ไม่ต้องมาใช้เวรใช้กรรมกับเราไปใช้กับคนอื่นแล้วก็อีกหลายคนจะได้ไม่ต้องมาถูกเรากระทำด้วยความไม่รู้พอเรามองออกว่าจริงๆแล้ว จ, วจักรวาลนี้เป็นจักรวาลของการกระทบกระทั่งตราบใดที่เรายังถูกขังอยู่ด้วยกันตราบนั้นเรายังต้องกระทบกระทั่งแล้วก็กลายเป็นเจ้านีเวรเจ้านีกรรมของคนอื่น หรือเป็นลูกนี้เวน ล, ลูกนี้กรรมของคนอื่นไม่รู้จบเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่จะยกเวรยกกรรมทั้งหมดทิ้งไปเสียได้